4. ีกาการภาวนาคือการหัดรู้สภาวะเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์และเพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวเราวงเล็บเปิด18เมษายน2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดการภาวนาก็คือการหัดรู้สภาวะหัดรู้ไปเรื่อยๆสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกหัดอย่างนี้แหละต่อไปจิตจะจาสภาวะได้แม่นคราวนี้สติเกิดเอง อะไรเกิดขึ้นในกายสติะระลึกขึ้นได้เองอะไรเกิดขึ้นในจิตสติก็ะระลึกได้เองลงมันะระลึกได้เองนะมันใช้ได้แล้วมันไม่ได้เจือด้วยโลภะเจตนาถ้าเจตนาระลึกจงใจะระลึกใหญ่จะกลายเป็นเพ่งเข้าไปเพ่งเอาไว้ไปจ้องเอาไว้พอไปเพ่งเอาไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งพอนิ่งก็ไม่แสดงไตรลักษณ์ดูเหมือนเที่ยงดูเหมือนมีความสุขดูเหมือนบังคับได้ยิ่งภาวนาก็ยิ่งเห็นผิดไป หัดรู้จักสภาวะนะดูไปเรื่อยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้สึกไปดูเล่นๆแต่ดูบ่อยๆ อ, อย่าไปจ้องเอาไว้ดูสบายๆคอยรู้สึกเอารู้สึกแล้วมันเป็นอย่างไรก็ไม่แทรกแซงเห็นกิเลสเกิดขึ้นก็อย่าไปเกลียดมันถ้าใจเกลียดมันก็รู้ทันความสุขเกิดขึ้นใจไปชอบมันก็รู้ทันเพราะฉะนั้นหัดดูสภาวะพอดูสภาวะไปเรื่อยๆสภาวะจะสอนให้เราเห็นไตรลักษณ์ว่ามีแต่ความไม่เที่ยง อย่างใจของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวบแวบวบแวบตลอดเวลามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งนานๆไม่ได้ยกเว้นแต่เพ่งเอาไว้เอาเข้าจริงก็บังคับไม่ได้ห้ามไม่ให้ชั่วก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นี่ของจริงมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเราดูไปทำไมดูสภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมดูไปทาไมดูไปจนวันหนึ่งเห็นความจริงว่าสภาวะธรรมมีอยู่มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยและสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมามันไม่ใช่ตัวเราถ้าใครเขาถามว่าหลวงพ่อสอนอะไรบอกหลวงพ่อสอนให้ดูสภาวะถ้าเราเห็นสภาวะกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมามันจะเป็นตัวสภาวะทุกวันนี้เราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆอันนี้แหละคือตัวเรานี่ความรู้สึกของเรานั่นอะไรต่ออะไรของเรา พอมีตัวเรามันก็มีตัวเขามีของของเราขึ้นมาด้วยมีของของเขาขึ้นมาด้วยมันมีตัวเราจริงๆพอตัวเรานี้แปรปลวนไปไม่ได้อย่างใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าแยกออกไปนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือสภาวะนั่นเองสภาวะที่เป็นรูปธรรมที่เป็นนา ม, มาธรรมเราจะเห็นเลยรูปธรรมก็ไม่ใช่ตัวเรานา ม, มาธรรมก็ไม่ใช่ตัวเรามันแยกออกไปมันจะเห็นว่าไม่มีตัวเราคล้ายๆมีรถยนต์อยู่คันหนึ่ง เราคิดว่ามีรถยนต์จริงๆพอเราถอดออกเป็นชิ้นๆอันนี้ลูกล้อลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์เบาะก็ไม่ใช่รถยนต์เบรกก็ไม่ใช่รถยนต์กันชนก็ไม่ใช่รถยนต์หลอดไฟสายไฟก็ไม่ใช่รถยนต์สักอันเดียวถังน้ำมันก็ไม่ใช่รถยนต์ดูไปดูไปเราก็รู้อ๋อรถยนต์เป็นแค่ภาพลวงตา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 มันอยู่ไม่ได้เราก็กลุ้มใจใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราไปคิดว่ามันเป็นเราขึ้นมาก็มีความทุกข์จิตใจก็เหมือนกันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราก็สำคัญผิดอย่างจิตมันโกรธเราก็สำคัญผิดว่าเราโกรธจิตมันโลภเราก็สาคัญผิดว่าเราโลภจิตมันหลงจิตมันไปคิดเราก็สำคัญผิดว่าเราคิด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 ขันมันจะแก่ขันมันจะเจ็บขันมันจะตายขันมันจะพลาดพลากจากสิ่งที่มันรักขันมันจะเจอสิ่งที่มันไม่รักขันมันจะอยากแล้วมันไม่สมอยากอะไรอย่างนี้ขันมันจะเหี่ยวแห้งใจเศร้าโศกเสียใจอะไรเป็นเรื่องของขันทั้งหมดเลยเราไม่เกี่ยวเราค่อยฝึกจนกระทั่งเราสามารถไม่เกี่ยวกับมันได้เบื้องต้นจะไม่เกี่ยวกับกายก่อนพวกเราที่ฝึกกับหลวงพ่อสักช่วงหนึ่งสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้บางคนเริ่มเห็นแล้วร่างกายมันแยกออกไปต่างหาก ร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าร่างกายเป็นสภาวะอันหนึ่งร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกต่อไปเวลาจะเจ็บจะแก่จะตายอะไรขึ้นมามันเห็นร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายไม่ใช่เราแล้วหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆมีสติรู้สึกตัวเห็นสภาวะมันทํางานอย่างอาจารย์วันชัยมาเรียนก็มาอย่างพวกเรานี่แหละตอนที่ท่านยังมาเรียนอยู่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ภาวนาได้ขนาดพวกเรานี่แหละไม่ใช่ว่าเก่งกว่าพวกเราหรอก แต่พอท่านจะตายจริงๆหลวงพ่อก็กะแล้วพรุ่งนี้ท่านตายวันนี้รีบไปเยี่ยมไปให้กําลังใจท่านไปถึงก็บอกอาจารย์รอบนี้ตายแน่อย่างไรอาจารย์ก็ไม่รอดหรอกนี่ให้กําลังใจนะนักปฏิบัติให้กําลังใจบอกอาจารย์รอบนี้ตายแน่อาจารย์ดูมันตายไปเลยนะร่างกายมันเจ็บไม่ใช่อาจารย์เจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่อาจารย์ตายดูมันไปเลยท่านใจถึงนะท่านดูของท่านจริงๆ ดูจนตายได้ดีเลยตายได้สง่าผ่าเผยตายอย่างมีความสุขตายด้วยจิตที่ร่าเริงจิตยิ้มตอนตายจิตยิ้มแย้มแจ่มใสใครอยู่ใกล้ก็สัมผัสได้เลยแมมนมันเย็นฉ่ำออกมาเลยจากใจของท่านเรียกว่าตายไม่เสียเที่ยวเพราะอะไรเพราะหัดเห็นสภาวะมันตายไม่ใช่เราตายเราไม่มีเห็นลงไปแจ่มแจ้งเลยไม่มีเรามีแต่ร่างกายมีแต่จิตที่เป็นคนรู้ จิตก็เป็นสภาวะอันหนึ่งไม่ใช่เราร่างกายมันจะเจ็บร่างกายมันจะตายก็เป็นแค่สภาวะอันหนึ่งไม่ใช่เราการที่เราหัดดูสภาวะก็เพื่อจะแยกที่เป็นตัวเราออกมาเป็นส่วนๆแล้วเห็นว่ามันไม่มีตัวเรานี่เป็นวิธีศึกษาธรรมะในาศาสนาพุทธท่านเจ้าคุณประยุทธ์วงเล็บเปิดปจุดอจุดประยุทธ์โตวงเล็บปิดท่านเรียกว่าวิพัชวิธีเคยอ่านหนังสือพุทธธรรมของท่าน ตอนหนังสือพุทธธรรมออกใหม่ๆดีใจโอ้หนังสือเล่มนี้ดีมากเลยโอ้ยทําไมมันยากปานนั้นมีศัพท์ที่เราไม่รู้เยอะเหลือเกินอ่านๆดูโอ้ดีจังท่านสอนบอกาศาสนาพุทธนี่สอนวิพัชนวิธีวิพัฒแปลว่าจับมันแยกออกไปแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปแล้วจะเห็นเลยเป็นแต่สภาวะไม่มีตัวเราถ้าไม่มีตัวเราแล้วใครจะทุกข์สภาวะสิทุกข์ไปแต่เราไม่ทุกข์ เห็นไหมตัวสภาวะนั่นแหละที่เรียกว่าขันห้าขันห้ามันก็ทุกในส่วนของขันห้าขันห้าอย่างไรก็ต้องทุกเพราะขันห้าเป็นกองทุกแต่ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกจากขันห้าอีกฉะนั้นขันห้าทุกขก็ทุกไปเราไม่ทุกด้วยหรอกฉะนั้นภาวนาจริงๆไม่ใช่เพื่อจะเอาอะไรทั้งสิ้นหรอกภาวนาเพื่อให้เห็นเลยทุกสิ่งมันไม่มีตัวเรา เป็นแต่สภาวธรรมล้วนๆมีแต่สภาวธรรมรูปธรรมนามธรรมตัวจิตก็เป็นสภาวธรรมตัวรู้นี่เป็นสภาวธรรมตัวเจตสิก ค, คือสิ่งที่มาประกอบจิตเช่นความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกว่าเจตสิกเป็นสิ่งที่มาประกอบจิตทําให้จิตแต่ละดวงหน้าตาไม่เหมือนกันจิตโดยตัวของมันเองเป็นแค่ธรรมชาติรู้เหมือนกันหมดเลยเป็นแค่นี้เอง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 นี่น้ำหอมนี่น้ำเน่าถามว่าน้ำมันก็น้ำอย่างเดียวกันใช่ไหมถ้าแยกธาตุออกมาแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันน้ำใสๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่มันแตกต่างกันขึ้นมาเรารู้ว่าน้ำขวดนี้กับน้ำขวดนั้นเป็นคนละอย่างกันเราเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปอย่างอันนี้น้ำหอมเก็บเอาไว้หลายวันก็กลายเป็นน้ำเน่าน้นำเหม็นนี่เราก็เห็นว่าแต่ละอันแต่ละอันมันเปลี่ยนไม่คงที่จิตนี้ไม่คงที่หรอก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 จิตที่โกรธกับจิตที่โลภมันก็เลยไม่เหมือนกันเราเห็นเลยว่ามันเป็นคนละดวงกันเราเห็นแล้วจิตเป็นคนละดวงคนละดวงเราเห็นจิตเป็นคนละดวงได้เพราะว่าเจตสิกที่มาประกอบกันไม่คงที่เปลี่ยนไปเราก็เห็นเลยจิตก็เกิดดับเหมือนกันถ้าจะดูแต่ตัวจิตจริงๆไปเพ่งใส่จิตเลยจะเห็นว่าไม่เกิดดับเห็นเที่ยงหลวงปู่ล่าภูจอก็ถึงสอนว่าผู้ใดเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฐิ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 เราจะเห็นเลยเป็นจิตคนละดวงจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจเกิดแล้วก็ดับอาจจะไปเกิดจิตที่หูอะไรอย่างนี้จะเห็นว่ามันเป็นคนละดวงกันจิตมันเกิดดับฉะนั้นภาวนาไปอย่าไปเพ่งใส่จิตภาวนาแล้วก็รู้จิตแต่ละดวงแต่ละดวงรู้โดยอาศัยผ่านเจตสิกบ้างอาศัยผ่านอายตนะที่จิตมันเกิดดับอยู่บ้างเราจะเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับยากมากที่จะเห็นจิตเกิดดับ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 บางทีก็สลับไปคิดฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปเห็นไหมจิตมันฟ <G> ังบ้างจิตมันคิดบ้างเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้นี่ดูของจริงลงไปอย่างนี้เห็นเลยมันเลือกไม่ได้มันสั่งไม่ได้จิตมันสุขหรือจิตมันทุกข์ก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมจิตมันดีหรือจิตมันชั่วก็เลือกไม่ได้ดูลงไปอย่างนี้เราจะเห็นเออ แ, แต่ละอันแต่ละอันมันเลือกไม่ได้เลยจิตมันเกิดดับเฝ้ารู้ลงไปนะ อย่างนี้เรียกว่าเราดูจิตตัวเองอยู่ไม่ได้ดูลอยๆเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆแต่ดูโดยมันร่วมอยู่กับเจตสิกมันร่วมอยู่กับอายตนะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้มาช่วยถึงจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูไปสบายๆดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาจิตไม่ใช่เราถ้าจิตไม่ใช่เราจะไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วเพราะในบรรดาขันห้าทั้งหลายนี่ ดูกายไม่ใช่เรานี่ดูง่ายที่สุดเลยฝึกกับหลวงพ่อเดือนเดียวก็เริ่มเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เราแต่ฝึกดูว่าจิตไม่ใช่เราดูกันแรมปีดูกันไปเรื่อยอย่าไปท้อถอยนะวันนี้ยังไม่เห็นไม่เป็นไรดูไปเรื่อยต่อมามันจะเริ่มเห็นบางขณะก็เป็นเราบางขณะไม่เป็นเราเนี่ยเริ่มเห็นแวบๆแล้วตัวเราเกิดขึ้นชั่วคราวแวบแล้วก็หายไปแต่พอเผลอเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าจิตเป็นเราขึ้นมาอีก ต้องดูไปเรื่อยจนวันหนึ่งเกิดอริยมรรคโซดาปฏิมครคตัดฉับเข้าให้หลังจากนั้นจิตไม่เป็นเราอีกแล้วไม่มีเงาแห่งความเป็นเราเกิดขึ้นในจิตอีกต่อไปนี่ละแล้วเป็นสมุดเฉทประหารฝึกเอานะไม่ได้ยากหรอกง่ายสุดๆเลยถูกเขาด่าแล้วโมโหรู้ว่าโมโหไปเห็นจิตมันโมโหไม่ใช่เราโมโหดูอย่างนี้เห็นร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนแต่ไม่ใช่คิดนะ ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ไม่ใช่ให้คิดแต่พูดนำร่องให้จิตของพวกเราพวกเรามีหน้าที่ฝึกให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆอย่าเผลออย่าเพ่งรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้กายบ้างรู้ใจบ้างรู้เล่นๆไปเดี๋ยววันหนึ่งจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนจิตที่สุขที่ทุกข์ที่ดีที่ชั่วไม่ใช่เราดีเราชั่วเราสุขเราทุกข์อะไรเห็นกายเห็นใจมันทางาน พูดนี่พูดนำร้องให้จิตมันฟังไม่ใช่พูดให้พวกเราจำใส่สมองจำใส่สมองไปแล้วกิเลสจะเอาไปกินหมดเลยพูดให้ฟังเล่นๆไปอย่างนั้นไม่ต้องสีเรียสในวงเล็บจริงจังให้หัดมีสติรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆดูมันทำงานไปดูกายดูใจไปแล้วจิตที่มันเคยได้ยินธรรมนนำร่องไว้อย่างนี้เดี๋ยววันหนึ่งมันจะเฉลียวมาเห็นเองมันเฉลียวนะไม่ใช่ฉลาดมันเฉลียวมาเห็นเองว่า กายนี้ที่กําลังเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เราเหรอกจิตที่กําลังทำงานอยู่นี้ไม่ใช่เรามันเห็นเองพวกเราก็มีหน้าที่รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจไม่ลืมมันนานไม่เพ่งมันไว้รู้สึกไปส่วนธรรมะนี่หลวงพ่อก็พูดนำร่องให้จิตมันรู้เอาไว้เดี๋ยววันหนึ่งมันจะเห็นด้วยตัวของมันเอง